ธรรมะของพระพุทธเจ้านะงดงามสะอาดหมดจดมากเลยเป็นของดีของวิเศษเป็นคนในโลกเนะี่ยเขาไม่รู้จักไม่มีบุญวัสนาพอพวกเราอยู่ใกล้ธรรมะสนใจศึกษาปฏิบัติเนะี่ยถือเป็นคนส่วนน้อยน้อยมากๆเลยมันเป็นโอกาสที่คนในโลกไม่ค่อยมี นี่พวกเราถ้าได้ศึกษาแนละ้วลงมือปฏิบัติปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรมเราก็จะได้ผลของการปฏิบัติศา ส, สนาพูดไม่ใช่ศาสนาอ้อนวอนขอร้องให้ใครมาช่วยเราเป็นศาสนาของคนซึ่งคิดจะช่วยตัวเองเรามีความทุกข์เราก็ต้องช่วยตัวเองให้พ้นจากกองทุกข์ให้ได้ คนอื่นช่วยเราไม่ได้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านถึงตรัสบอกว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางท่านคนพบเส้นทางสายนี้แล้วก็ส่งสารสรรพสัตว์ทั้งหลายตาแป๋วแป๋วอยากให้พ้นทุกข์ด้วยก็ามาสอนต่อเมื่อเรารู้เส้นทางเดินที่ท่านสอนแล้วเราต้องเดินด้วยตัวของเราเองถ้าไม่ทำไม่ได้ ถ้าทำให้สมควรแก่ธรรมะก็ไม่ได้อีกดังั้นต้องปฏิบัติอันแรกเลยต้องทำให้ถูกอันที่สองต้องทำให้พอคำว่าพอเนี่ยพวกเราอ่อนมากนะโดยเฉพาะคารวะคารวะเนี่ยโอกาสที่จะปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมเนี่ยยากมากเลยที่ยากไม่ใช่ไม่มีเวลา เพราะการปฏิบัติทำนะไม่เบียดบังเวลาทำ ม, มาหากินหรอกที่ยากเพราะเราหมวแต่หลงโลกเราเวน้นวักการปฏิบัติบ่อยๆเราคิดว่าการปฏิบัตินี่ต้องแบ่งแยกออกจากการใช้ชีวิตธรรมดามดาของเรานี้แหละเราก็คิดว่าเวลานี้เป็นเวลาปฏิบัติเวลานี้ไม่ต้องปฏิบัติจะมีใจที่คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ ถ้าคิดว่าเวลานี้ปฏิบัตินะไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมกลายเป็นของปลอมแล้วก็ประมดเวลานะคือไม่ต้องปฏิบัติมนะันหลงไปเลยลงมือปฏิบัตินะก็ปลอมปลอมอะไรปลอมกายปลอมใจให้มันนิ่งนิ่งผิดความเป็นจริงไปบังคับกายบังคับใจให้ผิดธรรมชาติธรรมดาเราไม่รู้หรอกว่าการปฏิบัติทำที่แท้จริงคือการ เข้าไปรู้เข้าไปเห็นความเป็นจริงของกายของใจตนเองถ้าเราไม่สนใจไม่เข้าใจตรง น, นี้เราก็คิดว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือการนั่งสมาธิการเดินจงกรมแค่นั้นเป็นแค่รูปแบบของการปฏิบัติเท่านั้นเองการนั่งสมาธิก็คือการมีสติจเจริญสติจเจริญปัญญาในอิริยาบถ ท, ที่นั่งอยู่ การเดินจงกรมก็คือการเจริญสติเจริญปัญญาในอิริบทที่เดินแค่แค่นั้นเองงั้นถ้าทุกก้าวที่เดินหรือตลอดเวลาที่นั่งเรามีสติหรือมีสติและปัญญาสองงานนี้ไม่เหมือนกันถ้ามีสติรู้สึกเห็นร่างกายหายใจมีสติรู้สึกหรือจิตใจเคลื่อนไปมีสติรู้สึกใจก็ค่อยนิ่งนิ่งข้ามา ตรงที่มีสติอันเดียวเนี่ยเราจะได้ความสงบของจิตแต่ตรงที่มีสติและปัญญามีสติแล้วมีปัญญาเนี่ยถือว่าเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ที่แท้จริงเราจะต้องมาอัพเกรดจิตของเราเจากการมีสติเฉยๆขึ้นมาสู่การมีสติและปัญญาให้ได้การมีปัญญานะคือการเห็นความจริงของกายของใจ คนทั่วไปไม่มีปัญญาข้นแรกเลยไม่มีสติที่จะรู้สึกกายรู้สึกใจสมาธิก็ไม่มีจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเป็นแค่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตไหลไปหลงไปตลอดเวลาเราให้ความสําคัญกับรูปนะรูปที่มองเห็นมากกว่าให้ความสําคัญกับตาที่ไปเห็นรูปเราให้ความสําคัญกับเสียงที่ได้ยิน มากกว่าการให้ความสำคัญกับหูที่เป็นคนได้ยินเสียงเราให้ความสำคัญกับกลิ่นมากกว่าจมูกเราให้ความสำคัญกับรสมากกว่าลิ้นเวลากินข้าวรู้สึกถึงลิ้นไหมไม่รู้สึกหรอกรู้สึกถึงรสอย่างเดียวเวลามองเห็นรู้สึกถึงตามตาเป็นคนเห็นไม่รู้สึกหรอกรู้สึกถึงรูปที่ที่ไปเห็นเข้าเวลายินเสียงก็ไม่ได้รู้สึกถึงหู เวลาใจมันคิดก็ไปรู้เรื่องราวที่คิดเรื่องราวที่คิดเป็นธรรมรมชนิดหนึ่งไม่สนใจใจที่เป็นคนคิดแม้จิตของเราเนี่ยมันสนใจออกนอกตลอดเวลาเลยเมื่อมันสนใจออกข้างนอกมันไปรู้อะไรมันก็ไปรู้รูปรู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสไปรู้เรื่องราวที่คิดนึกปรุงแต่งมันไม่สามารถรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ เรียกว่ามันทิ้งตัวเองไปเนี่ยทให้การปฏิบัติธรรมนะมันยากเย็นแสนเข็ญพอคิดถึงการปฏิบัติก็เป่งจิตให้นิ่งมันไม่ใช่การเรียนรู้ตัวเองแต่ว่าจะเรียนรู้ตัวเองได้จิตก็ต้องตั้งมัน่นจิตมีสมาธิชนิดที่ตั้งมัน่นไม่ใช่นิ่งๆอยู่ในอารมณ์มันเดียวอารมณ์นั้นต้องเคลื่อนไหวหเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่จิตนั้นนะตั้งมั่นเป็นคนดูอย่างนี้ถึงจะเกิดปัญญา และจิตนั้นมันต้องถวนเข้ามาหาตัวเองแทนที่จะออกไปที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสที่ธรรมารมเปเรื่องราวทางใจก็ย้อนเข้ามาที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจตาหูจมูกลิ้นกายย่อลงมาก็คือกายก็จะลงมาที่กายกับใจสนใจอยู่ที่กายกับใจของตัวเองถ้าสนใจลงมาถึงกายถึงใจเนือง วันหนึ่งปัญญามันจะแจ้งขึ้นมากายนี่เป็นของที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาใจเป็นของที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาสิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปดับไปไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรเนี่ยเราจะมาภาวนานะมาหัดดูของจริงไปเรื่อยจนวันหนึ่งมันเห็นความจริงว่ามันไม่มีตัวตนถาวรมีก็มีชั่วคราวนะร่างกายเป็นรูป รูปนี้ก็อยู่ชั่วคราวเช่นรูปหายใจออกรูปหายใจเข้าอะไรก็อยู่ชั่วคราวก็เห็นนะรูปไม่อมัมตะหรอกนมามธรรมทั้งหลายในใจเราก็เป็นของชั่วคราวความสุขเป็นของชั่วคราวความทุกข์เป็นของชั่วคราวกุศลอะกุศลเป็นของชั่วคราวเนี่ยดูของชั่วคราวไปเรื่อยจนกระทั่งมันรู้ความจรงิงรูปนี้ก็มีแต่เกิดแล้วก็ดับนมามธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นทางใจก็เกิดแล้วก็ดับ ใจจิตออกนอกบ้างไม่เหลือเลยดูมีความสุขกันดีนะแต่ไม่มีสติแล้วบางคนบ่นนะปฏิบัติทำมาตั้งนานแล้วไม่บรรลุมากผลสักทีก็ดูปฏิบัติอะไรสักเท่าไหร่นะว่าหนึ่งขาดสติเยอะกว่ามีสติต้องฝึกนะอันนี้ คือลำพังเียปฏิบัติธรรมนะพอให้อยู่กับโลกได้สบายๆก็ไม่ยากหรอกแต่ถ้าคิดจะเอามรรคผลนิพพานต้องใจแข็งกว่านั้นอย่าไปหลงกับโลกอะไรที่เป็นโลกรูปเสียงกลิ่นรสโภชพะเป็นโลกข้างนอกนะธรรมารมมัก็เป็นโลกภายในปลุงไปเรื่อยถ้าเราหลงกับโลกทั้งโลกข้างนอกโลกข้างในเราก็ลืมกายลืมใจ พยายามรู้สึกใจพยายามรู้สึกใจให้มากๆนะรู้สึกสบายๆการรู้สึกใจรู้สึกใจต้อรู้สึกให้พอดีไม่ตึงไปไม่หย่อนไปถ้าหย่อนไปก็เผลอไปจิตเผลอไปไหลไปเคลื่อนไปถ้าตึงไปก็บังคับไว้ใจแข็งแข็งร่างกายแข็งแข็งใจแข็งแข็งตึงเครียดเวราต้องมาฝึกค่อยๆฝึกให้มันพอดีพอดีนั้นทําไม่ได้ ให้รู้ทันตอนที่จิตไหลไปนะจิตไหลไปคิดนึกปรุงแต่งเนี่ยถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดนึกปรุงแต่งจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ตอนนี้เราถึงจะเจริญปัญญาได้ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเจริญปัญญาไม่ได้นี่เป็นสูตรเลยนะเพราะว่าสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่สามารถเจริญปัญญาได้ แต่แอย่าไปแปลสมาธิว่าสงบบางคนบอกว่าต้องจิตสงบถึงจะเจริญปัญญาได้จิตสงบจิตจะไม่เจริญปัญญาจิตจะพักผ่อนเฉยๆต้องจิตฟุ้งซ่านนะจิตทำงานไปแต่จิตตั้งมั่นแล้วปล่อยให้มันเกิดการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงให้มันทำงานไปใครเคยรู้จักหลวงพ่อพุธฐานิโยมั้งมีไหมใครเคยเจอใครเคยได้ยินชื่อ โอ้ได้ยินชื่อเยอะอยู่ก็ยังดีหลวงพ่อพุธนะเคยสอนหลวงพ่อนะบอกว่าความฟุ้งซ่านกับการเจริญปัญญาเนี่ยคาบเส้นกันนิดเดียวความฟุ้งซ่านก็คือจิตมันคิดนึกปรุงแต่งไปโดยที่เราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีความตั้งมั่นจิตมันหลงตามความปรุงแต่งไปอันนี้เรียกว่าความฟุ้งซ่าน ส่วนการเจริญปัญญานจิตมันก็ทำงานไปตามปกติเหมือนที่จิตฟุ้งซ่านน่ะแต่เรามีสติรู้ทันความปรุงแต่งของจิตมีจิตที่ตั้งมั่นเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอยู่มีสติกับมีสมาธิอยู่ปัญญาก็เกิดงั้นการที่จะมีปัญญาขึ้นมานั้นไม่ใช่ไปทาจิตให้นิ่งทำจิตให้นิ่งจะไม่มีปัญญาจิตมันจะขี้เกียจจิตมันจะพักผ่อนเฉยๆหลวงพ่อพูดเต็มปากเต็มคานะ ไม่กลัวใครมาเถียงเล ย, ยเรื่องนี้ก็ห mm hmm. ลวงพ่อทำจิตให้นิ่งมา22ปีจิตสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวอย่างนั้นนะส ว, สว่างสไทตานเด็กๆโง่มากกว่านั้นอีกเ mm hmm. จิตสว่างขึ้นมาเนาะตามแสงออกไปเที่ยวข้างนอกเลยแสงฉายไปถึงไหนเราก็ดูไปถึงนั่นเลยไปเที่ยวสวรรค์เที่ยวอะไรแต่นรกไม่ไป mm hmm. <laughs> เลือกไปเที่ยวแต่สวรรค์ น, <laughs> นรกไม่ไปเพราะกลัวผี เป็นคนที่กลัวผีหาสาระหาแก่นสารไม่ได้เป็นิมิตรนะจะจริงเลยจะปลอมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับการที่จะพ้นทุกข์เลยจนกะรทั่งต่อมามาปรับวิธีทําสมาธนะิรู้สึกว่าถ้าจิตไหลออกข้างนอกไปเรื่อยถ้าไปเจอผีเข้าคงลำบากก็เลยเปลี่ยนใหม่ไม่ให้จิตออกนอกนะหายใจไปจิตสงบพรู้สึกตัวอยู่ไม่ให้ขาดความรู้สึกตัวนะพอหายใจมันจะเคลิ ม, มก็ปรับจงังหวะหายใจ รู้สึกตัวให้ชัดขึ้นรู้สึกเนี้ยฝึกอยู่อย่างนี้แรื่อนจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ตั้งแต่ยังไม่เจอครูบาอาจารย์อื่นๆนะฝึกสมาธิมาอนยะ่างนั้นฝึกเจอท่้นจิตตั้งมั่นขึ้นมาเสร็จแล้วมันเดินปัญญาไม่เป็นตอนนั้นก็โง่โงนะคิดว่าทําสมาธิมากๆวันหนึ่งก็จะเกิดปัญญาเกิดมากผล น, ผนิพพานหรือได้ผลทุกมันไม่เป็นอย่างนั้นทําสมาธิอยู่ก็แค่นั้นแหละได้แค่สงบ สงบไปช่วงหนึ่งเดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านมาทำสมาธิก็สงบอีกนี่สมาธิชนิดสงบนะไม่เป็นทางไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่เป็นที่สบายถ้าเราติดในความสุขความสบายของสมาธิเราก็ไม่ไปไหนหรอกนอกจากปลกุกมรรคก็ไปติดอยู่แค่นั้นเองจนกระทั่งมาเจอหลวงปุ ด, ดุลถึงเจริญปัญญาเป็นหลวงปู่ดูลสอนให้เจริญปัญญาโดยไม่พูดคำว่าปัญญาไม่ได้สอนอะไรเลยนะไม่ได้บอกว่าให้ ทำอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะไม่พูดหรอกท่านบอกว่าไปดูจิตเอาถ้าดูจิตแล้ววันหนึ่งจะเห็นอริยศาสตร์แห่งจิตสอนไม่มากนะต้องมาหัดดูจิตก็ศึกษาลงมาจิตต้องอยู่ในกายในใจนะค้นยูในนี้ดูอยู่ในนี้ไม่ให้แจออกนอกไปที่อื่นเขารู้สึกอยู่ที่กายเขารู้สึกอยู่ที่ใจรู้สึกไปรืๆตอนหลวงพ่อไปสุรินรอบนี้นะก่อนไปเทศที่วัดบุรพาราม ก็ไปเยี่ยมครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ดุลแต่ท่านเป็นพาะเงียบๆไม่ยุ่งกับคนไปท่านก็เล่าให้ฟังนะว่าท่านไปเรียนจากหลวงปู่หลวงปู่ก็สอนว่าการปฏิบัติมันไม่ยากอะไรหรอกไม่ได้ใช้เวลามากมายเนิ่นช้าอะไรนะให้ย้อนเข้ามาเนนะี่ยท่านบอกถ้าเห็นทุกข์นะท่านทํามืออย่างนี้นะหเห็นทุกข์เนี่ยนะเห็นทุกข์ในนี้เห็นทุกข์ของกายของใจถ้าเห็นทุกขนะ์จิตจะปล่อยจิตจะวาง การปฏิบัติเนี่ยไม่มีอะไรมากกว่าการที่คอยรู้กายรู้ใจตัวเองจะเห็นมันเป็นตัวทุกข์เห็นทุกข์เห็นโทษของกายของใจมันก็หมดความยึดถือกายยึดถือใจไปแต่เบื้องต้นยังไม่หมดความยึดถือเบื้องต้นแค่เห็นก่อนว่ากายไม่ใช่ตัวเราจิตไม่ใช่ตัวเราไม่มีอะไรเป็นอมตะร่างกายเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปเช่นยืนแล้วก็ดับนั่งแล้วก็ดับนอนแล้วก็ดับเดินแล้วก็ดับเปลี่ยนอิริยาบถไปเรื่อยหายใจออกหายใจเข้าแล้วก็ดับไปเรื่อย ชีวิตที่หายใจออกอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปชีวิตที่หายใจเข้าอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปอย่างนี้เรียกว่าดูกายมาดูจิตใจก็เห็นสุขเกิดแล้วก็ดับไปทุกเกิดแล้วก็ดับไปกุศลเกิดแล้วก็ดับโลกโ ล, กลดหลงเกิดแล้วก็ดับไปเนี่ยเฝ้าดูอย่างนี้นะเบื้องต้นเห็นแค่นี้แหละจะรู้เลยว่าไม่มีอะไรที่เป็นอมาตะเราเห็นความไม่เป็นอมาตะในกายในใจนี้นะ เราเห็นความไม่มีอมตะในกายในใจนี้รู้ว่าทุกอย่างเกิดแล้วดับจิตมันจะรวมจะจะไปเห็นธรรมะที่เป็นอมตะอมตะธาตุอมตะธรรมนั้นมันเลยกายเลยใจออกไปมันเพิกกายเพิกใจออกมันก็จะไปเจอพระนิพพานเป็นอมตะธาตุอมตะ ธ, ธรรมเป็นบรมสุขนะเต็มยิ่มเต็มบริบูรณ์อยู่ต่อหน้าต่อตาไม่ค่อยหายไปไหนเลยในจิตที่ไม่มีคุณภาพแลนะก็มองไม่เห็นถ้าจิตมันหลงไป แต่ความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆน้วเรามารู้ทันนะรู้ทันกายรู้ทันจิตไปเรื่อยจิตปรุงแต่งจิตดีจิตชั่วจิตสุขจิตทุกรู้ทันไปเรื่อยรู้ทันมากเข้ามากเข้าแต่ไปเขาก็รู้แล้วว่าไม่มีตัวเราในกายไม่มีตัวเราในจิตใจนี้มีแต่สภาวธรรมจิตก็เป็นแค่สภาวธรรมไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่สภาวะของการรู้เป็นตัวรู้ ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาร่างกายก็เป็นแค่วัตถุธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาถ้าเห็นอย่างนี้นะได้พระโสดาบันนะไม่ได้ยากเกินไปหรอกเป็นครว่าดถ้าครว่าดนะรักษาศีลห้าให้ดีนะรักษาศีลห้าไว้ฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวอย่าล่องลอยไปทั้งวันทั้งวันคือต้องย้อนมาใจออกนอกแล้วคิดไปเรื่อยย้อนมาที่กายย้อนมาที่ใจนะให้มากๆเลย ยิ่งมากยิ่งดีแต่ไม่ใช่บังคับกายให้นิ่งบังคับใจให้นิ่งนะดูความจริงของกายของใจอย่างที่มันเป็นดูไปเรื่อยถึงวันหนึ่งก็เห็นนะตัวเราไม่มีแล้วก็หลังจากนั้นก็ภาวนาไปดูกายดูใจต่อไปอีกจนมันแจ้งขึ้นมากายนี้ทุกข์ล้วนๆจิตนี้ทุกข์ล้วนๆเห็นทุกข์นะถึงจะพน้นไม่เห็นทุกข์ไม่พ้นหรอกเง่อนการเห็นทุกข์นี่แหละที่พระเจ้า เรียกว่าจิตของอริยศาสตร์ข้อที่หนึ่งเลยทุกให้รู้ถ้าเรารู้ทุกแจ่มแจ้งนะเราจะทําจิตที่2องสามสี่เนี่ยเสร็จในขนาดเดียวกันถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกแจ่มแจ้งก็ทําจิตของอริยศาสตร์ข้อ1เสร็จเราจะละสมูทยัยอัตโนมัตินี่จิตข้อที่สองเราจะแจ้งพระนิพพานจิตข้อที่สามเราจะเกิดอริยมรรคขึ้นนะนี่เป็นจิตข้อที่สี่ การรู้ทุกข์รักสมุทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคเนี่ยทําเสร็จพร้อมๆกันหมดเลยในขณะจิตเดียวกันนั่นแหละแต่มันทําขึ้นมาได้นั้นด้วยการรู้ทุกข์นั่นนะแล้วคอยรู้สึกตัวนะอย่าใจลอยรู้สึกตัวไปเรื่อยๆดูกายทํางานดูใจทํางานไปมีสติอย่างเดียวไม่พอต้องมีจิตตั้งมั่นด้วยสตินั้นมันหายากนะ แต่จิตที่ตั้งมั่นหายากกว่าอีกคนทั่วไปไม่มีสติพวกเข้าวัดก็มาฝึกให้มีสติหายใจเข้าพุทหายใจเข้าโตหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอะไรอยว่าไปดูท้องพองท้องยุบนะมีสติจดจ่ออยู่กับลมหายใจมีสติจดจ่ออยู่กับท้องขยับมือนะทาจังหวะมีสติอยู่กับมือมีสตินี่พอพอหาได้นะ มีจิตตั้งมั่นเนี่ยหายากที่สุดเลยเมื่อก่อนหลวงพ่อเป็นโยมสอนเพื่อนไมกลุ่มหนึ่งนะั้นได้สิบคนสิบเอ็ดคนอนะไรนั่งรถตู้ไปหาครูบาอาจารย์ด้วยกันท่านเห็นนะท่านหันมามองเลยบางองค์จิตท่านไหวมากนะหันปั๊บดูไปรวมกันมาได้เยอะขนาด น, นี้ได้ยังไงสิบคนสิบเอ็ดคนว่าเยอะแล้วนะคนที่รู้สึกตัวได้ก็คนที่ฝึกสมาธิฝึกสติฝึกอะไรเนี่ยมีเป็นหมื่นมืนแสนแสน แต่จะหาที่มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหาร้อยละหนึ่งยังยากเลยคนในโลกนะหาคนมีสติร้อยละหนึ่งก็ยากเลยพวกที่มีสตินะหาจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาร้อยละหนึ่งสมัยก่อนหายากเดี๋ยวนี้ยังเยอะขึ้นเยอะขึ้นหลวงพ่อพูดเรื่อยเรื่องให้จิตที่ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นคือจิตมีสมาธิที่ถูกต้อง ถ้าเรามีทั้งสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตัญญามันจะเกิดทันทีมันจะเห็นเลยทุกอย่างที่จิตจะรู้เข้าไม่ใช่ตัวเราแต่ทั้งตัวจิตเองก็เกิดดับอยู่ทางทะวานทั้งหกเลยเฝ้ารู้เฝ้าดูเรื่อยไปไม่มีอะไรมากหรอกการปฏิบัติมีเท่านี้แหละถ้าดูกายดูจิตได้นะดูจิตไปดูจิตไม่ได้มาดูกาย ดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทําความสงบไหมทําสมถะพุทโธพุทโธพุทโธให้จิตนิ่งอยู่กับพุทโธพอจิตสงบรู้ว่าจิตสงบก็เข้ามาดูจิตได้ละหรือพุทโธพุทโธพุทโธไปนะจิตไม่ยอมสงบเลยจิตฟุ้งซ่านลูกเดียวรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตก็จะสงบอัตโนมัตินะแล้วกลับมาดูจิตได้เลยนี่จริงถ้าทําเป็นแล้วอะไรอะไก็ง่ายไปหมดนะทําไม่เป็นนะอะไรก็ยากหมดเลย อยู่ที่เราฝึกเอาค่อยๆฝึกไว้หลวงพ่อภาวนามาตั้งแต่เจ็ขวบนะตอนนี้หกสิบแล้วสนุกสนุกนะเรื่องภาวนาใครรู้สึกว่าภาวนาแล้วสนุกบ้างยกมือสิทางโน้นไม่มีสนุกเลยนะ <laughs> ใครรู้สึกภาวนาแล้วยากลำบากมากเลยยกมือสินะ น่าสงสารลำบากไปก่อนลำบากก่อนแล้วก็ตายเมื่อปลายมือไม่ใช่สบายนะทำไมลำบากนะภาวนาผิดสิถ้าภาวนาถูกนะสบาย <healthcare> ดูไปสบายๆ <consiste> ดูไปอย่างมีความสุขดูไปอย่างรู้เท่าทันใครรู้เท่าทันใจของตัวเอง มีคราวหนึ่งนะหลวงพ่อพไปนั่งคุยนั่งสนทนากับหลวงพ่อพุธที่วัดป่าสารวัตรท่านก็เทศน้อนเทศ น, นี้ไปแล้วท่านก็บอกว่าจิตของท่านนะไม่สงบหรอกจิตของท่านเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะท่านมีสติรู้ทันไปเรื่อยแล้วท่านก็เล่าเรื่องพวกนี้หลกเหยียบเป็นิ่งอยู่เฉยๆนะให้เห็นความเปลี่ยนแปลงไปฟุ้งซ่านก็ไม่ต้องกลัวมัน มีใจเป็นคนดูไว้เห็นจิตมันฟุ้งซ่านมันปรุงไปนั่นแหละเรียกว่าเจริญปัญญาเนี่ยท่านเล่ามาถึงตอนนี้นะหลวงปู่เหรียญนี่มาเยี่ยมพอดีเลยหลวงปู่เหรียญเข้ามาปุ๊บหลวงพระพุทธทีแรกก็นั่งอยู่บนตังย้ายจะกตังนะลงมานั่งกับพื้นมีผ้าแบบเนี้ยปูหลวงปู่เหรียญก็ขึ้นนั่งแทนเ <c oughs> นี่ยมีซีนิลิตี้นะหลวงปู่เหรียนอาวุโสปะ หลวงปู่เหรียญขึ้นไปนั่งยิ้มหวานหลวงปู่เหลียนยิ้มหวานหรอใครเคยเจอท่านบ้างไม่เคยเจอเหรอสงสารจังเลยหลว <c oughs> งพ่อปุก็ชวนคุยหลวงปู่ครับขอโอกาสจิตของกับผมไม่สงบเลยนี่เปิดฉากนะเปิฉากกับหลวงปู่เหรียญหลวงปู่ครับจิตของผมไม่สงบเลย หลวงพูเรียนหันกลับมามองอ้าพอวพาวนามไม่เป็นแต่สีไม่สงบพูดเกับคนละระดับคือถ้าเภาหนาในขั้นของการเดินปัญญาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะขั้นผลของการเดินปัญญาเนี่ยจิตมันสงบมีความสุขมีความสงบคนละขั้นท่านพูดธรรมะคนละระดับกันหลวงพูเรียนไม่นึกว่าหลวงพ่อพูดกกำลังสอนโยมเรื่องการเดินปัญญาอยู่ เราอุทานอ้าวพอน้ไม่เป็ น, นสิดีนะครูบาอาจารย์ท่านน่ารักถ้านไม่เถียงนะท่านกราบประลกประลกเนะถ้าประเภทกิเลสหนาแล้วต้องลุกขึ้นเถียงพอนาเป็นตังหากลจิตถึงไม่สงบท่านถูกกันทั้งคู่นะถูกกันละจุดช่วงที่เราต่อสู้เนี่ย เ้าทำความสงบเป็นคราวคลาลพอให้จิตมีเรี่ยวมีแรงแล้วเราก็ต้องให้จิตมันเดินตัญญาออกไปดูกายออกไปดูใจช่วงที่ออกไปรู้ความจริงของกายของใจจิตไม่นิ่งหรอกแต่จิตตั้งมั่นเป็นคนดูจิตไม่ได้สงบแต่จิตตั้งมั่นในหลวงพระพูดถ้ายจะพูดถึงตัวนี้แต่เมื่อเราภาวนาจนมันแจ้งในธาตุในขันมันวางธาตุวางขันนะ เข้าไปสัมผัสพระนิพพานพระนิพนพานเป็นความสงบอย่างยิ่งเนละงั้นจิตจะเข้าถึงความสุขความสงบอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นบรมสุขพระนิพพานเป็นสันติสงบอย่างยิ่งงั้นธรรมะมีขั้นมีตอนของมันนะช่วงนี้อย่าเพิ่งหาความสุขช่วงนี้ให้รู้ทุกข์ให้มากจนใจมันแจ้งในความจริงของกายของใจมันวางกายวางใจแล้วนะ มันมีความสุขมันมีความสงบที่ไม่มีอะไรเหมือนเลยความสุขในโลกนะกลายเป็นของหลอกๆความสุขมันมีหลายระดับกินของอร่อยก็มีความสุขนะดูของสวยของงามก็มีความสุขอันนี้เรียกว่ากามาสุขกามาสุขเนี่ยคนในโลกเขาแสวงหากันอันี้นักปฏิบัติถ้าทำความสงบจิตได้นะเรียกฌานสุขมีความสุขของการทาสมาธิีฌานสุข คนที่ได้ฌานสุขแล้วจะรู้เลยว่าการมาสุขเนี่ยเป็นเรื่องเด็กเหมือนหนอนกินอุจจาระนอนเขาก็อร่อยของเขานะแต่ให้คนไปกินไม่กินหรอกเนี่ยจิตของคนที่เข้าฌานได้อะไรเนี่ยจะรู้เลยว่าความสุขของกามของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรนะกระจอกมากเลยแล้มันมีความสุขอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าโลกุตตระสุขเลยฌานสุขอีกนะ คนที่เข้าถึงโลกุตราศุขจะรู้เลยว่าฌานสุขเป็นทุกข์ที่ว่าจิตเข้าฌานมีความสุขมากๆนะในความเป็นจริงแล้วเป็นพบๆบหนึ่งเป็นทุกข์และความสุขมีเป็นขั้นเป็นขั้นไปถ้าเรายัางหลงโลกอยู่เราก็มาทําใจให้สงบบ้างนะแล้วมาเจริญปัญญาแล้วก็มีความสุขที่ประนีตขึ้นไปเรื่อยๆจนมันแจ้งความจริงของกายของใจปล่อยวางกายวางใจได้ กลสัมผัสความสุขที่ยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรเหมือนเลยความสุขที่มันเต็มมันอิ่มอยู่ในตัวเองทั้งวันทั้งคืนสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครเก็บค่าเช่านะพาอนาเขาแค่มีแต่ความสุขก่อนไปหาครูบาอาจารย์นะผู้เท่าบางองค์ก็พิการอะไรเงี้ดูท่านมีความสุขมากแต่ละองค์แต่และองค์องปูงสวรรนคะ์นั่งรถเข็นพิการเดินไม่ได้ เป็นอัมพาตแต่เดิมท่านก็เดินได้ลดควาําเลยเป็นอัมพาต้วเขยนออกมานะท่านก็ว่าสุขแท้นอสุขแท้นอต่นนั้นเราภาวนาได้นี้หน่อยเข้าใจไม่มากดูหลวงปู่นะหลวงปู่มีความสุขเราไม่มีความสุขเลยหลวงปูพ่พิการนะหลวงปูพ่พิการเดินไม่ได้ท่านมีความสุขอย่างแเรามีความทุกข์เยอะแยะเลย แน่จิตที่ฝึกดีแล้วนําความสุขมาให้แพวกเรามาฝึกนะมีสติแล้วก็มาฝึกจิตให้ตั้งมั่นมีสติคอยรู้ทันอะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้ทันอะไรเกิดขึ้นในใจคอรู้ทันฝึกจิตให้ตั้งมั่นก็คือเมื่อสติไประลึกอะไรแล้วเนี่ยจิตเป็นคนดูหรือว่าจิตไหลเขาเ้าไปถ้าสติไประลึกรู้ลมหายใจแล้วจิตไหลเข้าไปอยู่ที่ลมหายใจอันนี้ก็มีสติอย่างเดียว ไม่มีความตั้งมั่นต้องมีความตั้งมั่นเห็นนะร่างกายเันหายใจจิตเป็นคนดูอยู่ตะหากจะเห็นเลยร่างกายมไม่ใช่ตัวเราความสุขความทุกข์กุศลอกุศลไม่ใช่ตัวเราเนีดูซ้ำๆไปแค่แค่นั้นแหละไม่ยากอะไรหรอกแค่แค่นี้พอแล้วนะวันนี้ไม่ตอบคําถาม <laughs> <laughs> พวกหน้าตาเก่าๆที่เกียดตอบวัวเลาะไปนะ ไม่เกินร้อยปีก็ตายหมดนะแต้วแล้วไยเดียงสาคาไรเดียงสาจิตไม่เหมือนเมื่อกี้แล้วรู้สึกไหมจิตสลดลงมารู้สึกไหมเมื่อกี้มีความสุขตอนนี้มีความสลดใจเนี่ยคนรอบๆตัวเรานะไม่นานก็จะหายไปหมดเลยรวมทั้งตัวเราเองด้วย ได้ฟฝ้ารู้ลงไปนะดูลงไปถ้าเราไม่หลงโลกธรรมะมันแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเราหลงโลกก็เฮฮาเพลินๆนะหมดเวลาไปวันหนึ่งวันหนึ่งเวลาภาวนายขาอย่าไปเครียดเครียดมากก็ภาวนายากภาวนาให้มันสบายแต่ไม่ใช่กระดีกระดาภาวนาให้มันมีความสุขแต่ไม่ใช่เพลินไป ดีกระดาฮีฮาฮสนุกนะเอาพอดีพอดีมีสติมีใจตั้งมั่นก็มีความสุขผุดขึ้นมาเป็นระยะระยะใครทีิภาวนาแล้วมีความสุขผุดเป็นระยะบ้างมีไหมยกมือสิใหม่ๆจะเป็นเงนั้นแหละต่อไปจะเห็นแต่ทุกนะงั้ร ห, ใหัใหม่ๆจะมีความสุขเยอะเลถ้าไม่มีความสุขเพราะม่มีสมาธิมีจิต ท, ที่ตั้งมั่นขึ้นมา แต่เดิมมันไม่มีสมาธิมีแต่จิตที่หลงหัดที่แรกนะเราจะเห็นเลยจิตมันจะมีความสุขขุดขึ้นมาเป็นระยะระยะนั่นเป็นความสุขของสมาธิแต่ดับจิตเราไม่มีสมาธิจิตเราฟุ้งอย่างเดียวพามาหัดรู้สึกตัวรู้สึกตัวะพอรู้สึกตัวได้ความสุขจะโชยขึ้นมาดังนั้นหัดใหม่ๆจะมีความสุขมากเลยเมื่อเทียบกับคนในโลก ซึ่งมันมีแต่ความทุกข์มีความเครียดผุดขึ้นมาเป็นระยะระยะแต่เราพอรู้สึกตัวปุ๊บความสุขก็ผุดขึ้นเป็นระยะแต่พอเราหัดภาวนามากเข้ามากเข้านะมันจะเปลี่ยนมันจะเห็นนะแล้วมีแต่ทุกข์นะตอนนี้ใครเห็นทุกข์เยอะขึ้นแล้วยกมือซิไหนทางนี้มีไหมทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะแก่เพราะเจ็บเพราะตาย หรือทุกข์ราะอะไรทุกข์เพราะอยากได้มากปวดเร็วๆแ ล, วแล้วไม่ได้ทุกข์เพราะมีปัญญาหรือหรือทุกข์เพราะมีตัณหา ถ, าถ้าทุกข์เพราะมีปัญญาแล้วเราเห็นกายนี้ใจนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆเนี่ยมีปัญญานะเห็นทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ถ้าทุกข์เพราะตัณหานะเบ็นอีแบบน้น คิโกฟหน่อยอ ย, อยากแล้วไม่ได้อยา ก, ยากยแล้วไม่ได้อย่างอยากนี่ก็ทุกถ้าอยากแล้วไม่ได้อย่างอยากแล้วทุกนี่ทุกธรรมดาทุกเปลนเปลนใครก็เป็นแมวจะไปจับนกจับไม่ได้แมวมันก็ทุกแล้วเราพอนานนะก็จะเห็นทุกเต็ไมไปหมดเลยมองไปทางไหนก็จะเห็นแต่ความทุกข์ใจก็จะคลายออกจากโลก ถ้าเราไม่เห็นทุกข์เราจะหลงกับโลกเพลินมีชีวิตหมดไปปีหนึ่งปีหนึ่งนะแปบ๊บเดียวว่างเปล่าไม่ได้อะไรมาเลยถ้าเรามีสติมีใจที่ตั้งมั่นดูกายโดยใจทํางาน เ, นานานเราะเห็นทุกข์มากขึ้นมากขึ้นพอเห็นทุกข์นะอย่าเบื่อลคลายความยึดถือแล้วก็หลุดพ้นไปแต่การเจริญปัญญาเนะี่ยเจริญรวดเดียวไม่ได้ ถ้าเราดูกายดูใจเราเห็นทุกข์มากเข้ามากเข้านะจิตมันจะทนไม่ไหวเราก็พักทำความสงบทำสมถะพุโทโธไปหายใจไปให้ใจผ่อนคลายทำสมถะเป็นในรูปแบบไม่เป็นก็ไม่เป็นไรหาหนังสือธรรมะหาพุทธประวัติหาประวัติภาษาโวกต่างๆมาอ่านนะจิตใจก็แช่มชื่นเบิกบานก็ได้สมาธิ มีความสุขมีกำลังใจแล้วมาดูกายดูใจต่อใแการปฏิบัติเนี่ยเราไม่ได้เดินปัญญารวดเดียวถึงฝั่งเราก็เดินปัญญาไปพอมาเห น, น็ดเหนื่อยนะก็มาทำความสงบพักผ่อนพักผ่อนมีแรงแล้วแล้วก็เดินปัญญาต่อมาดูกายดูใจมันทำงานนี่ฝึกฝึกไปแบบนี้นะถ้าบารมีมากมันก็ใช้เวลาน้อยหน่อยบารมีน้อยก็ใช้เวลาเยอะหน่อย แต่ไม่ว่าบารมีมากหรือบารมีน้อยก็ต้องทำชาติก่อนเราเคยขี้เกียจมาแล้วนะขี้เกียจภาวนาในชาตินี้มาภาวนาต่อแตะต่อแตะอยู่นชาตินี้ขยันภาวนานะชาติน้างง่ายแล้วหรือชาติก่อนเราภาวนามาดีแล้วนะชาตินี้สะกิดนิดเดียวก็ไปละไปไหน <laughs> ไม่แน่ <laughs> ไปตามเวรตามกรรม กี่โมงแล้วเนี่ยหลงพ่อไม่มีนาฬิกาเนาะโอ้พอสมควรแล้วนะเทศมานานล้วันนี้หลวงพ่อเทศสเป ส, สปาที่สุดเลยรู้สึกไหม <laughs> เทศแบบสบายสบายเนะทศจริงจังมากพพวกเรารับไม่ไหวเราเพิ่งกินข้าวงั้นฟังธรรมะแบบสบายๆนะ เรไปภาวนาให้สบายมีความสุขรู้สึกตัวไปดูกายดูใจใไปสบายๆนะเอาเท่านี้แหละนะขอแล้ว เ, เข้าของนะสงพ่อฝักประสานได้ทำบุญต่อปัจจัยให้หมอพีไว้ใช้ใชเอารับพรซะหน่อยนะ ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวามวะอิโตทินังเปตาณังอุปกปติอิชิตังปิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสภะปุเรนโตสังกปาฉันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถาสพีติโยวิวัชชนตุสพโรโควินัสตุ มาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายยโกภวะอาภิวาธนาศีลิสนิจังุทธาปจายโนจตารโรธรมาวทันตีอายุวันโนสุขังพลัง